ส่วนที่มันมันถูกก็มีอยู่แล้วค่ะได้ที่หลวงตาบอกพอมีผูร้รู้ให้วางผู้รู้อีกทีฮะหนูยังไม่ชัดเจนค่ะตอนนี้ไอ้ตัวนี้่ยมันเ น, นี่เราไม่เข้าใจค่ะก็ไอ้ส่วนถูกมันก็มีแต่ส่วนผิดมันยังยังเยอะอยู่คือว่าเรายังใอ้ตัวที่มันเป็นตัวที่สังขารปรุงแต่งได้มาเป็นตัวเราเอาตัว เ, ออเราเนี่ยเป็นตัวสังขารได้ตัวเนี้ยเก๋ไม่เข้าใจคือเราเนี่ยมันเป็นวิ ญ, ญญาณแท้แท วิญญาณแท้ๆหรือจิตแท้ๆหรือใจดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่าง<ะ>มีแต่ความว่างมันเป็นาธาตุรู้วิญญาณแปลว่ารู้มันเป็นาธาตุรู้มีแต่ความว่างตัวตนมันก็ไม่มีรูปร่างมันก็มีมันคิดมันนึกมันตึกมันตอมพรุงแต่งอะไรก็ไม่ได้แต่เกเนี่ยกลายเป็นว่าเอาไว้ตัวขันห่าที่มันคิดนึกตอมปรุงแต่งได้มาเป็นตัวเรา แล้วก็เอาตัวเราเนี่ยไปคิดนั่นคือตอมปรุงแต่ง mm hmm. พอใจไม่พอใจงุดหงิดกคนนั้นคนหงิดนี่เราก็พยายามจะช่วยตัวเราให้ไม่หงุดหงิดเราพยายามจะช่วยตัวเราให้จิตมันเป็นกุศลไม่ให้มันเป็นอกุศลอันนี้เอวนี่เข้าใจผิดคือมันธรรมชาติของเราแท้แท้เนี่ยมันปรุงไม่ได้มันแทรกแซงไม่ได้มันช่วยตัวเราเองก็ไม่ได้อาการที่เกิ ด, ดขึ้นทั้งหมดเป็นขันห้าทั้งหมดใช่เป็นขันห้าหรือเป็นสังขารทั้งหมดค่ะ แล้วมัเกิดดับมันก็ไมเที่ยงอยู่อย่างนั้นมันก็เกิดดับมันก็มันก็เกิดก็เกิดดับที่กุศลบ้างอ่กุศลบ้างเนยแต่เราเนี่ยมันปรุงไม่ได้ไงค่ะแต่เขไปเอาไอ้ไอ้ตัวเราไอ้ตัวปรุงไปแล้วก็ไปพยายามไปช่วยตัวเราพยายามไปปรุงแต่งมันปรุงกลายเป็นปรุงได้ช่วยตัวเราได้พยายามได้บ่นคนนั้นได้เงียบเงียไม่ได้อะไรได้เขาก็ยังผิดตัวอยู่ดีครับมันผิดตัวมันผิดตัว ที่หลวงปู่มั่นวันนี้ที่ที่ททแชร์ของหลวงปู่มั่นไปที่บอกว่าไม่ไม่มีพระอรหันต์ไม่มีจิตพระอรหันต์ไม่มีจิตจิตไม่มีเพราะจิตเป็นสังขารปรุงแต่งหมดพระอรหันต์มีแต่สติมีแต่สติพระอรหันต์ไม่มีจิตเพราะว่าจิตมันปรุงแต่งหมด จิตมันปรุงแต่งหมดถ้าไม่เอาความปรุงแต่งเป็นตัวเราเพราะนั่นจิตมันปรุงแต่งหมดถ้าไม่เอาความปรุงแต่งเป็นตัวเรามั้นเราไม่มีพระหลานไม่มีจิตเพราะจิตมันเป็นสังขารหมดถ้าไม่เอาสังขารนั้นเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรามีแต่สติเท่านั้นเน่ยมีแต่สติเราก็ต้องโยนิโสมวณติการไว้ในใจอย่างอย่างแยบคลายว่าเนี่ย เราแต้แฉเป็นวิญญาณแท้แเป็นจิตดั้งเดิมแต้แฉเป็นใจดั้งเดิมแต้แฉที่มันหายโง่แล้วเนี่ยที่มันสิ้นอวิชชาแล้วเนี่ยไม่มีหรอกตัวตนมันไม่มีมันไม่มีรูปร่างอะไรม่ได้ เ, เลยเราไปยึดเอาไอ้ตัวที่เป็นสังขารได้คิดเรอตอมปรุงแต่งได้แปลเป็นตัวเราบางคนใจง่ายเรากัพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธเราสังเกตไปเรื่อยอสังเกตไปเรื่อยเนี่ยด้วยความมีสติเนี่ย สังเกตไปด้วยความมีสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวไปสังเกตด้วยความรู้สึกตัวไว้แล้วใจต้องรู้สึกเสมอว่าในใจอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยว่าเราเป็นเพียงวิญญาณที่มีแต่ความรู้กมันไหวตัวไม่ได้กระเพื่อมไม่ได้เปกิริยาการใดๆไม่ได้ทุกขณะปัจจุบันมันมีอะไรไหวตัวขึ้นมากะเพื่อมขึ้นมาแสดงกิริยาการขึ้นมามันมีแม้แต่เวทนาที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรา ตอนเป็นวิญญาณแท้ๆเป็นจิตแท้ๆหรือว่าเป็จใจดั้งเดิมแท้ๆมันไม่มีเลยเนี่ยพอตายแล้วเนี่ยมันก็ออกจากร่างนี้ไปแต่ร่างเราที่มันพูดได้มีความรู้สึกมีคิดอารมณ์ได้แทรกแซงได้กันเน่าแล้วก็ถูกทอดทิ้งไปกับแผ่นดินแต่เราสิก่อนมาเกิดเป็นตัวเนี้ยก่อนมาเกิดเป็นตัวเราที่นั่งอยู่ได้เนี่ยแล้วเรามาจากไหนอะ ก่อนที่จะมาเกิดเป็นตัวเรามีร so ูปร่างแบบนี้แล้วเรามาจากไหนเราคิดพิจารณาดูซิว่าก่อนจะมาเกิดเป็นตัวเรางี้แล้วเรามาจากไหนได้เราเหรอไอตัวเราที่เรามาเกิดแล้วแล้วเราตายแล้วเนี่ยไอตัวเราที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันตายแล้วมันดับแล้วไอมันทราบเป็นทราบศพแล้วมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แล้วเนี่ยแล้วเราไปไหนถ้าเราเป็นในตัว ไอตัวเราที่นั่งอยู่เนี่ยมีที่มีความรู้สึกเมืคิดอารมณ์ที่มีความที่พยายามที่หลน่นช่วยเหลือตัวเองได้และไอตัวนี้เวลามันดับหมดแล้วตัวเราไปไหนอะถ้าอย่างนั้นตัวเราก็ต้องดับสิถ้าถ้าตัวเราคือตัวที่เป็นความรู้สึกนมืคิดอารมณ์เวลาไอตัวความรู้สึกนกเคลือนอารมณ์มันตายเน่าลงตัวเราก็ต้องดับแต่ตัวเราไม่ดับอ่ะเนี่ยมันปัญหาอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นไอตัวเราที่มีความรู้สึกนมืคิดอารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรา มันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ตัวเร า, เราต้องบอกสอนตัวเราอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นมันอยู่ในความรู้สึกไวเลยว่าไอความรู้สึกนึกคิดลมทั้งหลายมันไม่ใช่ตัวเราเพราะก่อนมาเกิดมีตัวเราที่มันมีรูปร่างมีความรู้สึกนึคิดอารมณ์นั่งอยู่เนี่ยมาฟังได้เนี่ยแล้วเรามาจากไหนตัวเนี้ยเรามาจากไหนแต่พอมาเกิดอยู่ในตัวเรานี้แล้วเนี่ยเอาเราทําไม ไปยึดเอาไอ e ้ต mm. um, e ัวเราที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นตัวเราแล้วเราตายแล้วไอ้ตัวเรามันไปไหนอ่ะถ้าถ้าเป็นตัวเราจริงๆไงตัวที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่ตัวเราเนี่ยมานั่งฟังของตาพูดได้เนี่ยถ้าเราตายแล้วไอ้ตัวเราต้องตายตัวเราต้องตายเลยถ้าไอ้ตัวเราที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นตัวเราตัวเราต้องตายแต่มันไม่ตายสิมันความที่มันไม่ตายเป็นปัญหาใหญ่ คือไอ้ตัวที่เราเนี่ยที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมมาตายหน้าเปื่อยบูพังดับไปแต่เราตัวแท้มันไม่ตายเลยปัญหาใหญ่อยู่ตรงนี้เนี่ยแต่เรายังไม่เข้าใจตรงนี้่ะมันจะไปไปสร้างร่างใหม่ในร่างสัดเดชสารเพรอสุรกายสัตว์รกมันจะไปอาบาย่มแบาปกรรมทั้งหลายก็ให้ผลได้เั้นอจะเอาไอ้เอาตัวเราไปตัวปรุงแต่งได้ ที่มีอาการได้ไหวตัวได้ช่วยตัวเราได้บนกว่านั้นบนนคนนี้ได้วิภาควิจารคนนั้นได้ ว, วิจารวิจารสิ่งนี้ได้มันเอา้ตัวนี้เป็นตัวเราตลอดเวลาเลยปัญญามันไม่มากากับสติปัญญามันไม่มากากั บ, ม, ม, กกบมันต้องมีสติปัญญากากับไว้ตลอดเวลาครูเจ้าตัดว่าตัดไว้ไหลายที่มากเลยว่าถ้าหนึ่งไม่มีสองข้อนี้ไม่มีสองอย่างนี้บรรลุพระนิพพานไม่ได้ คือหนึ่งกัลยาณมิตรคือมีกูบาอาจารย์ที่รู้จริงสอนสองโยนิสโสมนติการสอนเอาไปแล้วบอกไปแล้วก็ไปโยนิสโสมนติการไม่ได้ใจแล้วเราขาดโยนิสโสมณติการวันๆหนึ่งเราไม่ได้โยนิสโสมนติการไม่ได้ใจเลยดยแยบคลายอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเราทิ้งไม่หมดในโยนิสโสมณติการเนี่ยเราเลยพ้นทุกข์ไม่ได้นะเพราะว่าเราขาดความโยนิสโสมนติการว่าเราแท้จริงเป็นใครอ่ะ เป็นใครกันแน่คือไอ้ตัวที่มานั่งฟังหลวงตาสอนอยู่นี่แล้วมีความรู้สึกในกคิดอารมณ์นี่เลี้ยงไงแล้ตัวนี้เวลาตายแล้วตัวเราจริงๆไว้ไหนอะถ้าไอ้ตัวเราคือตัวที่มีความรู้สึกในคิดอารมณ์แล้วเนี่ยเวลาตัวเราตายไอ้ตัวนี้มันพูดได้คิดหนึ่งตอนพงแต่ได้มีอารมณ์ได้ตายตัวเราต้องตายแตกดับไปกับมัน่แต่ว่าตัวเราที่มีความรู้สึกในคิดอารมณ์มันตายแตกดับปุ๊บอ้าว เราไ ม, ไม่ตายเลยมันต้องไปไปอยู่ในกลางสัตว์เจ้าสานเปรตเอสุรกายสัตวรลกไปอบายเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าเราคือใครเราไม่รู้จักตัวเราตั้ทีเมื่อไหร่เรารู้จักตัวเราเราควรพ้นจากไอ้ตัวขันหน้าไปได้เราไม่รู้จักตัวเราทีไปเอาไอ้ไอ้ตัวขันหน้าเป็นตัวเราทุกทีไปเราพอขาดในชีวิตประจำวันเราขาดโยนี่ตมนุษย์การเราก็เลย เอาตัวเราปรุงแต่งทั้งวันเนเอาคิดโน่นคิดนี่เอาตัวเรากลายเป็นไอตัวคิดได้เป็นตัวเราหรือไอตัวเราเอาตัวเราไปปรุงแต่งนู่นปรุงแต่งนี่คิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้ได้มันผิดตัวมันกลายมันผิดตัวเลือดมีทีแปดมงกุดไปเลย เออมันก็หลงไอ้ตัวท <dig> ี่แปดมังกรตัวนี้ไอ้ตัวเราที่ <hoş LA? S 1> พูดได้มันตัวทีแปดมังกรมันหลอกเราตลอดเวลาเราก็เมื่อเราขาดสติเราก็ต้องถูกมันหลอกตลอดเวลาแหละโดยมันหลอกทั้งวันมันก็ไปหงุดหงิดคนนั้นหงดหงิดคนนี้เเห็นวันเห็นขึ้นแป๊บเดียวแล้วลงยาวเลยเห็นขึ้นแป๊บเดียวลงยาวมันขาดสติมันขาดสติมันยังไม่ได้เดินทางอยู่บนผิวน้ําทะเลเลยมันอยู่ใต้ผิวน้ําทะเลเดินทางอะขึ้นแป๊บเดียวลงตกไปอยู่เดินทางส่วนใหญ่อยู่ใต้อยู่น้ําทะเล มันเอาตัวปรุงแต่งเป็นตัวเราใจหมเอนมถามอะไล่าไปเลยเออล่มาอาจริงาอกว่าได้จะได้ยกให้แถวหน้าขันขันออดออดออแล้วแล้วแล้วแล้วแล้ละวอะไรขันขันขัเป็นสันขันโอ้แล้วขัอขันโอ้ยแล้วคืออะไรเขาบอกขันขันโอ้แล้ว ทำไมไม่นึกดะมันทำไมไม่ไม่มันไม่ทีอ่ะทําไมมันหางไปขนาดขนาดเวาเราไออัะโดนพวแล้วค่ะนี่มันไม่ทันนะเดี๋ยวมตายก่อนไม่ทันไม่ได้อะไรเดี๋ยวไม่ได้อะไรมันตายก่อนเดี๋ยวก็ทุกอย่างมันแปรป라이่ตอนเรานานนึกทีนานนึกทีไม่ทันทําอะไรก็ต้องรู้สึกเสมอว่าเราเป็นวิญญาณวิญญาณแท้ๆที่มาเกิด ไม่ใช่เป็นในขันห้าที่ผสมเสร็จแล้วที่มีความรู้สึกและคิดอารมณ์เนี่ยพอตายแล้วไอ้ตัวเราที่มันมานั่งนั่งฟังลุงตาแล้วคิดนึกถึอตอมพงแต่งตามลุงตาเนี่ยมันดับหมดนะไอ้วิญญาณที่ไม่ดับไอ้วิญญาณแท้ไม่ดับเราแล้วไหนวิญญาณแท้ที่มาเกิดนี่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยมีแต่ความรู้ไอ้ตัวนั้นน่ยมันคิดนึกถึอตอมพงแต่งไว้ได้มันไม่เคยดับเลยไม่เคยแตกไม่เคยทําลายตัวนั้นถ้าเราไม่เข้าใจว่าเราคือใคร ไม่รู้จักตัวเราทีเราก็จะยืดปิดตัวเรื่อยไปเหมือนตำรวจที่ว่าเขาที่เขาใจภาษากับตำรวจที่ว่าจับคนร้ายผิดตัวเรียกว่าจับแพะจับแพะเราก็จับแพะปิดตัวเราก็ไอ้ตัวที่ผสมเสร็จที่ที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นตัวเราเรื่อยไปทุกชาติแล้วเราลืมไปเลยว่าแล้วก่อนมาเกิดเป็นเช่นว่าเราไปเกิดเป็นไก่เป็นหมาเป็นแมวอ่าแล้วพอเราเกิดมาปุ๊บอยู่ในร่างไก่ร่างหมาล่างแมวเราก็บอกไอ้ตัวนี้ยร่างเราคือตัวกู สีขาเนี่ยคือตัวกูแล้วเราก็ไม่สามารถพอเป็นสัตว์ในฉานแล้วไม่สามารถจะมีปัญญาคิดได้ว่าเอ้าแล้วก่อนเราเป็นหมาเป็นแมวกูเป็นไข่ไว้เนี่ยครับไอตัวที่มันพูดได้มันร้องแหวีงวี่ยงวีงวได้เป็นหมาเป็นแมวเห่าได้ถ้าเป็นตัวเราเวลามันตายตัวเราต้องดับเปล่ามันไม่ดับเปล่มันไปเกิดอยู่ในล่าอื่นต่อไปอีกเพราะเราแท้ๆไม่ใช่หมาไม่ใช่แมวไม่ใช่คนไม่ใช่ สัตว์อะไรโพไอ้ร่างนั้นมันตายทุกล่างแตกดับทุกล่างแต่เราโดยไม่ตายเลยไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยแตกทําลายเนี่ยแต่เราไม่เข้าใจสักทีเราเราไม่รู้จักตัวเราทีเราไปยึดไอ้ร่างที่ผสมเสร็จเป็นตัวเราเลยเลื่อยไ ป, ไปทุกชาติตอนนี้มันก็เลยต้องไ ป, ไปอยู่ในร่างให ม, เม่เลื่อยไปพรโปมาเอ้าเราบอกว่าไอ้พวกสัตว์เลื้อยคานนี่มันน่าเกลียดมากเลยแต่พอเราไปเกิดเป็นในสัตว์เลื้อยคานปุ๊บ กลายเป็นตัวเราน่ารักเว้ยกลายเป็นตัวเราแล้วก็ไปเห็นเนีไอสัตว์ไองูงูเราเกิดเป็นงูตัวเมียไปเกิดเป็นไอไองูตัวเมียนี่คือตัวกูแล้วไปเห็นเนีไองูตัวผู้หล่อเหลือเกินแล้วก็ผสมพันกันอยู่แล้วเนี่ยพอไปเกิดเป็นงูตัวผู้มันก็ไองูตัวเมียเนี่ยสวยเหลืวเกิดแล้วก็ผสมพันธ์ออ ก, ล, ก, อ ล, กอลูกออกหลานในลูกปูลูกปูมันก็จะยึดอย่างงี้ทุกชาติไปนึกไปลืมไปเลยว่าเออแล้วก่อนมันเกิดเป็นงูเป็นไหไ เริเป็นงูตั้งแต่แรกเลยแล้วก่อนมาเกิดเป็นงูเป็นอะไรก่อนมาเกิดเป็นคนเนี่ยบุรีรันอย่างเราเนี่ยตอนเนี้ยเป็นอะไรมาก่อนนะแล้วตายจากคนแล้วมันเป็นอะไรโอ้อป็นคนที่มีที่มานั่งคิดหนึ่งตอนปรุงแต่งได้มีอารมณ์ได้ตอนตัวเราจริงๆก็ดีดิเราจะได้ตายแล้วก็ดับไปไม่ต้องไปทุกข์ทรมานต่อไปนี่ไม่ต้องไปรับบาปก่อกรรมต่อไปมันไม่ใช่ะสิมันตายแต่ไอ้ตัวเราที่มานั่งคิดหนึ่งตอนปรุงแต่งมีอารมณ์ได้ แต่ตัวนั้นไม่ตายเราแต่จะเป็นวิญญาณแต่แท้มันไม่ตายไม่ไม่แตกไม่ดับไม่ทำลายตัวตนมันไม่มีไม่มีรูปร่างไม่มีกิริยาการเลยมันมีแต่รู้วิญญาณน่ะเพราบาลียแปลว่ารู้รู้แต่ตัวตนมันไม่มีรูปร่างไม่มีไม่มีดวงไม่มีสว่างไม่สว่างไม่มืดไม่สุขไม่ทุกไม่ผ่องใสไม่เศร้าหมองไม่ความรู้สึกนึกิดอารมณ์ไม่ได้แต่มีแต่ความสงบและว่างเปล่าใจเนั่นแหละวิญญาณแแท้คือใจอ่ะ ใจที่มีแต่ความสงบและความว่างเปล่านั่นแหละแต่ใจมันมีความสงบและวา่างเปล่าแต่สังขารทั้งหมดเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันเกิดดับในใจใจมันเลยรู้ว่ามีอะไรมาเกิดดับในมันแต่ใจไม่เกิดไม่ดับใจในแนวเราแท้แน่คือใจที่ไม่เกิดไม่ดับมีแต่ความสงบและว่างเปล่าแต่เมื่อใจเนี่ยมันเป็นที่รองรับของสิ่งที่เกิดดับคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกชนิดมันเกิดดับในมันเกิดดับอยู่ในใจมันไม่เกิดดับที่ไหนได้มันก็เกิดดับในใจนี่แหละ ทุกขนปัจจุบันน่ะไม่ว่าคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดคุณตนเนาคุณตนไม่ว่าจะมีหงุดหงิดไม่ว่าจะดีใจไม่ว่าจะเสียใจไม่ว่าจะสบายใจไม่สบายใจมันก็เกิดดับอยู่ในใจน่ะแน่แต่ใจมันไม่เกิดดับด้วยแต่ขันห้าเนี่ยที่มันแสดงกิริยาการใดได้เนี่ยมันเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับใจมันไม่เกิดดับมันปมีแต่ความรู้เป็นธาตุรู้แต่ตัวตนของใจไม่มีรูปร่างของใจไม่มี ไม่มีดวงไม่มีก้อนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยมีรูปพรรณสถานไดๆเลยมีแต่ความรู้แล้วก็ว่างเปล่าเลยหาที่หาที่มันไม่เจอว่าใจไม่อยู่ตรงไหนอใจที่เป็นธาตุรู้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนที่เป็นวิญญาณนธาตุเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในร่างกายของเราเลยหาไม่เจอไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเพราะมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลยแต่ทําไมจึงรู้ว่ามีใจอ่ะเออนอกจากนอกจากร่ายแล้วก็มีใจแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไอ้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับ แต่ทำไมรู้จะรู้ว่ามันนอกจากไอตัวเราที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันมีใจหรือจิตหรือวิญ ญ, ญาณแท้ๆอยู่อะก็เพราะว่าเมื่อตัวเราที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันดับลงเนี่ยไอ้ใจหรือวิญญาณแท้ๆมันไม่ดับสิ<ม>เราก็พิจารณาได้แบบเนี้ยพิจารณาเข้ามันก็จะได้หายเอาวิชาเขาเรียกว่าหายโง่อ วันนี้ก็ได้แต่ดูว่าอะไรมันเกิดเกิดขึ้นก็ดูไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้ไปดับได้แต่ตามดูสิ่งที่เกิดมีอะไรก็เกิดเมื่เกิดขึ้นก็ดูไปเรื่อยๆไม่ไม่ดับมันไม่ไม่ได้ตามดูนะไม่ได้ไม่ได้ตามไม่ไม่ตามดูไม่ได้ไม่ได้ตามดูมิแต่ว่าะใจมันก็มีความสงบใจมันจะมีความสงบ่ะ ถ้มันอยู่อย่างนั้นเนี่ยใจมันก็ไม่ไม่วุ่นวายไม่มีความวุ่นวายแต่จิตที่มันพรุงแต่งขัน้ามันก็วุ่นวายเกิดเกิดดับมันแต่ใจไม่วุ่นวายไม่เกิดไม่ดับคแต่ว่าจะว่าไปไล่ตามดูความคิดอารมณ์อะไรครอไม่ไม่ไล่แต่มันรู้อยู nah. stomach, ่ว่าใจอ่ะมันรู้มันรู้ใจของเจ้าของเองว่าใจของเจ้าของเนี่ยไม่วุ่นวายไม่เกิดไม่ดับคใจของเจ้าของมันรู้ตัวรู้ใจของเจ้าของเองว่าใจเนี่ยไม่วุ่นวายไม่เกิดไม่ดับ แต่ไอ้ไอ้ขันห้าหรือจิตปรุงแต้มมันก็มันก็วุ่นวายเกิดดับขอมันไปอย่า ง, ง น, นี้แหละค่ะแล้วก็รอสิน้นอายุไขมันก็ตายไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวเนี้ไอ้ตัวขันห้าที่มันมีความวุ่นวายเกิดดับปรุงแต่งเนี่ยเดี๋ยวมันก็สิ้นลมหายใจแล้วก็ไอ้ตัวที่ไอ้ตัวที่นั่งหายใจเนี่ยที่มีความรู้สึกในึกคิดอารมณ์แต่เมื่อกดลมก็ไม่สามารถมีความรู้สึกในึกคิดอารมณ์ได้ ก็จะเหลือแต่ใจนั่นแหละที่มันรู้ตัวใจของมันเจ้าของว่าเออมันมันเป็นความไม่เกิดไม่ดับไม่มีอะไรเลยมีแต่ความรู้ว่าตัวมันน่ะไม่เกิดไม่ดับแต่มันรู้อีกว่ามีสิ่งมันเกิดดับอยู่ในมันสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับแต่ใจนี่ะมันไม่เกิดดับไปตามสิ่งที่เกิดดับด้วยใจมันก็เลยเป็นแต่ความสงบระว่างเปล่าแต่ไอสิ่งที่เกิดเกิดดับดับเนี่ยมันก็คงเป็นอยู่มาอยู่อย่างงั้นแหละ แต่เราพลาดคืออยู่ๆเราก็ไปเอาไอ้ตัวเราไปคิดไปนึกไปตึกไปตองไปปรุงแต่งไปมีอารมณ์เอาเอาตัวเราไปกลายไปเป็นในไอ้จิตที่ปรุงแต่งกลายไปเป็นขันท่าที่ปรุงแต่งซะแล้วไม่ได้เป็นใจซะแล้วไม่ได้เป็นปัญญาแท้ซะแล้วมันก็จะหลงไปอย่าเรื่อยๆไปมันจะไม่ทันนะกว่ามันจะตายซะ ก, ก่อนแล้วยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยต้องฝึกต้องฝึกอย่างหนักต้องฝึกตลอดเวลาอย่าปล่อยปากเราเลยทํางานอยู่มันก็ฝึกได้ทํางานลงครัวทำงัน ตัวเนี่ยมันก็ฝึกได้ปัจจัยมันก็ใจไม่เกิดดับก็เป็นธรรมชาติเขมาอยู่อย่างนั้นแหละเราเปสามารถจะรู้ได้ใจมันก็รู้ใจเจ้าของได้ว่าเออใจมันมีแต่ความสงบว่างเปล่าเพราะใจเนี่ยมันก็เพื่อมไม่ได้ไหวตัวไม่ได้แต่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆเนี่ยมีจิตปรุงแต่งมีขันห้าเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับมันสามารถสังเกตเห็นได้ตลอดเวลาเนี่ยมันจะว่าเราไม่ต้องใช้กําลังอะไรมากมายเราทํางาน ทั้งวันลงครัวเนี่ยเราสามารถสังเกตเห็นได้มันได้ตลอดเวลาเนี่ยแต่เราไม่ได้สังเกตเองแต่ที่เขาสอนไปเราก็ไม่ได้โยนนิโสมนัสกิการไว้ให้มันรู้สึกไว้ในใจโดยแยบคลายนํามาพิจารณาเราทิ้งบอดเราไปคุยกันไปทําแต่ลงครัวทำโน่นทํา น, นี่แล้วเราก็ทําแต่งานจริงๆเราก็เห็นแต่งานที่เราทํำจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เห็นไม่ได้สังเกตเห็นเลยว่าใจมันไม่เกิดดับแต่มันไมีสิงเกิดดับอยู่ในใจไม่สังเกตเห็นตัวนี้เลยวันวัน มันลืมไปเลยอ่ะตัวเนี้ยมันทําไมลืมทิ้งไปเลยอ่ะพระเจ้าไปตัดบอกว่าถ้าเราไม่โยนิสโสวันนาติการไว้ไม่มีทางพ้นทุกข์นะต้องเอาสอนเนี่ยไปโยนิสโสวันนาติการไวในใจอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายผู้ใดเนี่ยไม่มีสองอย่างเนี่ยบรรลุนิพพานไม่ได้คือต้องมีครูบาอาจารย์ซีดีสอนแล้วก็ต้องโยนิสโสวันนาติการไวในใจอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายที่จะพ้นทุกข์ได้ตต่นี้เราหมดเลย คนสอนมีแต่เราไมโยนิโสเมตสิการไว้ในใจโดยแยบคายอย่างตอเ น, นื่อไม่ขาดสายเราก็เลยหมดโอกาสแต่โยนิโสนี่ถูกทางใช่ไหมค ะ, ะถ้าโยนิโสนี่ถูกทางใช่ไหมคะโยนิโสก็ต้องโยนิโสไม่ได้ว่าคิดเอานะต้องสังเกตไห้เห็นจริงในใจว่าเรารู้รู้สึกแก่ใจจริงๆว่ามันไม่เกิดไม่ดับใจไม่เกิดไม่ดับใจมันเป็นความสงบ แต่ในความสงบมันมีจิตที่ปรุงแต่งเกิดดับ